จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆทก่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ท่าน มารักษาสิงมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมตามกำลังแห่งศรัทธาและความภาคเพียรเพื่อประโยชน์สุดแก่ชีวิตจิตใจการกระทำของพวกเรานั้นมีผู้ที่จะได้รับประโยชน์อยู่สามฝ่ายด้วยกันคือหนึ่งคือร่างกาย สองคือจิตใจและสคือกิเลสตัณหาทุกวันนี้าการกระทำของเราก็จะแบ่งเป็นสมส่วน mm hmm. เช่นวันนี้เรามาวัดมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเป็นการกระทำเพื่อชีวิตจิตใจของเรา เพื่อประโยชน์สุขของชีวิตจิตใจของเราถ้าเราไปร้านอาหารเพื่อไปรับประทานอาหารไปซื้อยาไปซื้อน้ามาดื่มไปซื้อเสื้อผ้ามาสวมใส่เราก็ทำเพื่อร่างกายของเราถ้าเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็ไปทำประโยชน์ให้แก่การมะปัญหา คือความอยากในการถ้าเราไปเสา ะ, ะแสวงหาตำแหน่งหาความร่ำรวยเกินความจำเป็นเราก็กำลังสแสวงหาความสุขทำประโยชน์ให้กับภาวะตันหาคือความอยากมีอยากเป็นเมื่อทําแล้วผลก็จะมีเกิดขึ้นแตกต่างกันไปถ้าเรา ทำให้แก่ร่างกายของเราร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงจะมีอายุอยู่ได้ตามอายุไขของเขาคือไม่ต้องตายไปก่อนเวลาอันควรถ้าเราทำเพื่อจิตใจของเราเราก็จะได้ตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปตามลำดับ เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมาทุกข์กับความแต่ความเจ็บความตายทุกข์กับการพัดากจากกันน้อยลงไปตามลำดับแต่ถ้าเราทำเพื่อตัณหากิเลสความความอยากต่างๆเช่นการมาตัณหาหรือภาวะตัณหาเราก็กำลังเพิ่มพบชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะ ตัณหานี่แหละเป็นเครื่องยนต์หรือเป็นเครื่องจักรที่จะหมุนวัฏจักรคือการเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆให้มีอยู่ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ฉบาดทรงเห็นว่าตัณหานีแลเป็นตัวที่ส่งเสริมหรือผลักดัน ให้มีพบชาติเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงทรงสละเวลาสละราชสมบัติออกพนวดแล้วก็ปฏิบัติทำบุญให้ทานรักษาสีงปฏิบัติธรรมจเจริญปัญญาเพื่อกำจัดตัณหาต่างๆที่ดีอยู่ในพระทัยของพวกจนได้บรรลุเป็น พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสุขไปตลอดอนันตการไม่มีวันสิ้นสุดนี่คืองานที่พวกเราควรจะทำกันเราควรจะทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่จิตใจของเราเราทำงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ร่างกายตามอัตภาพ ไม่จำเป็นที่จะต้องทุ่มเทมากจนเกินไปเช่นอาหารเราก็รับประทานอาหารธรรมดาก็ได้อาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้เรามีความอิ่มร่างกายมีความอิ่มและไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอาหารแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วเหมาะ ก, กับความต้องการของร่างกายแล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอาหารที่มีราคาพแพงๆมีรสชาติที่ยั่วยวนกวนกิเลสตัณหาของเราถ้าเรารับประทานแบบแบบฉนองตอบทั้งร่างกายและตัณหาเราก็จะได้ทั้งคุณและได้ทั้งโทษคุณก็คือได้ที่ร่างกายร่างกายมีอาหารรับประทาน แต่ถ้าเรารับประทานตามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารเราก็กําลังเพิ่มภพชาติของเราให้มีมากขึ้นไปเพราะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี่แลที่พาให้เรามาเกิดในกามะพุคือภพของมนุษย์และเดรัจฉานของเทพและของสัตว์นรกของเปร นี่เป็นที่เป็นภพของผู้ที่ยังมีการมะกปัญหาความอยากทั้งหลายอยู่แต่ถ้าเราสามารถตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในการ ม, มาพแต่เราจะไปเกิดในรูปภพและอรูปภพซึ่งเป็นที่อยู่ของพรหมทั้งหลาย นี่คือความแตกต่างกันระหว่างการรับประทานมีสองลักษณะรับประทานเพื่อร่างกายและเพื่อกามตะตัญหาก็จะผลักดันให้พพชาติของเราหมุนเวียนอยู่ในกามาภพไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารับประทานอาหารเพื่ออยู่ไม่สนใจว่าจะเป็นอาหารในรูปแบบใดจะถูกปากถูกใจหรือไม่ ก็ไม่สำคัญเช่นพระภิกษุบางรูปเวลาที่ท่านฉันอาหารท่านจะเอาอาหารทุกอย่างลงไปในบาตรแล้วก็คลุกมันคนมันให้เหมือนกับเป็นอาหารจานเดียวเป็นอาหารอย่างเดียวคือทั้งข้าวทั้งหวานทั้งผลไม้ทั้งผักใส่เข้าไปในบาตรแล้วก็คลุกมันเหมือนกับเราคลุกข้าวให้สุนั รับประทานเพราะท่านรับประทานเพื่อร่างกายอย่างเดียวอาหารที่ครุบอยู่ในบาทนี้เดี๋ยวก็ต้องไปครุบอยู่ในกระเพาะอยู่ดีต้องไปรวมกันอยู่ในกระเพาะมันไม่ไปที่ไหนมันไปที่ตรงนั้นและถ้ามันอยู่ในกระเพาะแล้วเราก็คงจะรู้ว่าสภาพของมันเป็นอย่างไรดังนั้นถ้าจะรับประทานอาหารเพื่อกำจัดกามทานหา ก็ต้องรับประทานแบบนี้คือต้องไม่ยึดติดกับรูปกลิ่นรสของอาหารกินเหมือนกับเรากินยายานี้เราไม่สนใจว่าจะมีรูปแบบมีสีสันอย่างไรจะเม็ดกลมเม็ดแบนเม็ดจะเป็นน้ำหรือเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นยาฉีด เราก็เอาเข้าสู่ร่างกายไปเพราะจะได้มารักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายเช่นเดียวกับการรับประทานอาหารเราก็รับประทานอาหารเหมือนกับการรับประทานยารับประทานเข้าไปแบบไม่มีความอยากในรสในรูปในกลิ่นมีอะไรก็รับประทานไปอย่างนี้เราก็จะได้ตับลดการมาพบของเรา ให้น้อยลงไปแล้วเราก็จะได้เกิดในภพที่สูงขึ้นก็คือในภพของพรงมหรือในภพของพระอริยเจ้าขั้นต่างๆเช่นพระอน า, าคามีและพระอาหารหันต์เป็นต้นเกิดจากการที่เราควบคุมการเจริญเติบโตของกามตัณหา ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นญาติโยมที่มาอยู่วัดมานุ่งขาวห่มขาวมาถือสินแปหรือพระภิกษุที่บวชถือสินสองีก็เป็นผู้ที่มุ่งไปสู่การตัดกามะปัญหานี้เองในเบื้องต้นท่านก็อยู่แบบเรียบง่ายอยู่ไม่ไม่ได้สแสวงหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่จะแสวงหาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบซึ่งเป็นการทำประโยชน์ให้แก่ใจเพื่อที่ใจจะได้มีความสุขไปนานๆและมีพกชาติลดน้อยถอยลงไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปในที่สุดนี่คือการกระทําที่พวกเรา ควรที่จะให้ความสำคัญเพราะว่าใจของเรานี้อยู่กับเราไปชั่วฟ้าดินสลายและแต่ร่างกายของเรานี้ไม่อยู่กับเราไปชั่วฟ้าดินสลายร่างกายของเรานี้จะต้องจากเราไปสักวันหนึ่งไม่ช้าเกินไปหรอกแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราชั่วฟ้าดินสลายคู่กับใจของเรา ก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัณหาความอยากต่างๆถ้าเราไม่กำจัดมันมันก็จะอยู่ไปกับใจของเราไปตลอดเช่นเดียวกันแต่ถ้าเรากำจัดมันได้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเราก็จะได้ไม่มีความทุกข์ไม่มีภพชาติที่จะต้องไปเกิดเีกต่อไป ดังนั้นการทําประโยชน์เพื่อจิตใจก็ต้องมุ่งไปที่การกําจัดตัณหาทั้งหลายหรือกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปนั่นเองอย่างที่ท่านทั้งหลายมากระทํากันในวันนี้ท่านกําลังมาทําประโยชน์ให้แก่จิตใจด้วยการมากําจัดตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจการให้ทานนี้ก็เป็นการ ตัณหาคือความอยากได้วัตถุเข้าของต่างๆเพราะว่าท่านกำลังทำสวนทางกับความอยากคือแทนที่อยากจะได้เข้าของเงินทองท่านก็เอาเข้าของเงินทองนี้มาถวายพระมาถวายวัดมาทำบุญให้ทานนี่เป็นการสวนกระแสะของกามตัณหาหรือภาวะตัณหา ความอยากได้สิ่งต่างๆถ้าท่านทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความอยากที่อยากจะได้สิ่งต่างๆก็จะน้อยลงไปตามลําดับเพราะว่าเวลาที่เราให้แล้วเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาต่างกับเวลาที่เราได้เวลาเราอยากได้อะไรแทนที่เราจะมีความอยากน้อยลงไป แต่ความอยากของเรากลับจะมีเพิ่มมากขึ้นไปไม่เชื่อลองสังเกตดูถ้าใายให้เงินเราครั้งนี้ห้าร้อยบาทแล้วครั้งต่อไปถ้าเขาให้ร้อยบาทเราจะรู้สึกไม่พอใจรู้รู้สึกน้อยใจแล้วแต่ถ้าเขาให้เราพันบาทเราจะรู้สึกดีใจแต่ถ้าให้ห้าร้อยบาทเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่ดีใจเท่าไหร่ เพราะว่าให้เท่าเดิมไม่มีความสุขเหมือนกับการได้ครั้งแรกครั้งแรกได้500้บาทดีใจมากแต่ครั้งที่สองถ้าได้500บาทก็จะไม่ดีใจเหมือนกับครั้งแรกเพราะความอยากมันมีเพิ่มขึ้นแล้วจะดีใจเหมือนครั้งแรกก็ต้องได้พันบาทขึ้นไปและมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพวกเราจึงมีเงินทองกันมากมายกายกอง เพราะความอยากมันมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรามีหมื่นเราก็อยากจะได้แสนมีแสนเราก็อยากจะได้ล้านแต่ความอยากของเราวันนี้หมดไปหรื อ, อยังมีกี่ร้อยล้านมันก็ยังอยากอยู่อย่างนั้นแล้วถ้าตราบใดมีความอยากมันก็จะมีความทุกข์มีความหิวที่จะต้องดิ้นรนขวนขวายหาอยากไม่รู้จักจบจากสิน้น แต่ถ้าเราเอาเงินที่เราเหลือกินเหลือใช้นี้มาทำบุญให้ทานเราจะตัดความอยากให้เบาบางลงไปเพราะใจของเราจะเกิดความสุขเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมานั่นเองและต่อไปเวลาเราได้มาบางทีเราไม่อยากจะได้เสียได้ซ้าไปเพราะเราไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรเพราะเงินที่เรามีเราก็ให้คนอื่นไป ดังนั้นถ้าได้มาก็จะไม่ดีลออดีใจแต่ก็จะเอาไปทำประโยชน์ต่อไปเช่นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางรูปที่ลึกหลายหลายรูปด้วยกันเมื่อท่านบวชแล้วท่านกสละบวชแล้วพั์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเงินทองหลังจากที่ท่านได้มาท่านก็ไม่เก็บเอาไว้ท่านก็เอาไปทำประโยชน์ต่อไป ทำประโยชน์ให้กับทางศาสนาและทำประโยชน์ให้แก่ทางโลกตามความสมควรตามความเหมาะสมต่อไปแต่ตัวท่านเองนั้นจะไม่มีเงินเก็บไว้เลยเพราะใจของท่านนั้นไม่ได้มีความอยากได้เงินอยากได้ทองเพราะท่านเห็นแล้วว่าความอยากได้เงินทองนี้มันทุกข์มันทําให้เราอยู่ไม่เป็นสุขเราต้องตะเกียกตะกายอยู่ หาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆหามาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่หยุดหากันก็เพราะว่าเราส่งเสริมตันหาความอยากได้เงินได้ทองนี่องชีวิตของเราจรึงไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะการหาเงินหาทองมันก็ต้องมีอุปสรรคต่างๆมีปัญหาต่างๆแล้วเมื่อได้มาแล้วเราก็ต้อง หาที่เก็บหาที่รักษาไว้อีกซึ่งที่เก็บและที่รักษาก็ไม่แน่นอนว่าจะเก็บหรือรักษาเงินทองที่เราหามาแทบเป็นแทบตายได้ไปตลอดหรือไม่บางเวลาเงินทองที่เราไปเก็บไว้มันก็สูญหายไปได้เช่นเวลาธนาคารล้มลงไปขาดทุนไม่มีเงินจับ คนฝากเงินไว้ก็ต้องสูญเสียเงินนั้นไปนี่คือเรื่องของการความอยากที่อยากจะร่อมอยากจะรวยอยากจะมีเงินทองมากๆ ม, มันไม่ได้เป็นการทำความสุขให้แก่ใจแต่มันจะทำให้ใจของเรานั้นมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่พระที่ท่านละทรพยบสมบัติเข้าของเงินทองได้หมดแล้วออกบวช ท่านก็ไม่ต้องมีความทุกข์กับเรื่องการหาเงินหาทองเรื่องการรักษาเงินทองและเรื่องความเสียใจหรือเสียดายเวลาที่สูญเสียเงินทองเหล่านั้นไปเพราเราจึงควรที่จะยึดแนวทางของพระพุทธเจ้าและของพระสุปฏิปโนทั้งหลายที่ท่านได้ปฏิบัติกัน ท่านปฏิบัติเพื่อตัดกามตัณหาและภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจด้วยการทำบุญให้ทานอย่างที่เรากำลังทำกันอยู่ในวันนี้ด้วยการรักษาศีลการรักษาศีลก็จะป้องกันรักษาใจของเราไม่ให้ตกต่ำไม่ให้ต้องไปเกิดในอบาย ถึงแม้ว่ายังต้องเกิดอีกเนื่องจากที่เรายังไม่สามารถตัดตันหาทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้แต่อย่างน้อยการเกิดของเราก็จะเกิดในภพที่ดีคือภพของมนุษย์ภพของเทพภพของพรหมไม่ต้องไปเกิดในภพของเดรัจฉานของเปรตในนรกถ้าเรารักษาศีลได้เวลาเราอยากได้อะไร เราก็ต้องดูว่าเราจะต้องทำบาปหรือไม่ถ้าเราทำบาปเราก็อย่าไปทำยอมอดดีกว่าหรือรอไปหน่อยอยากจะได้อะไรเช่นเงินไม่พอก็อย่าไปลักขโมยเงินของผู้อื่นมาเพื่อที่จะไปซื้อในสิ่งที่เราอยากได้รอให้เรามีเงินพอก่อนแล้วค่อยซื้อจะดีกว่า จะไม่ขาดทุนเพราะเราจะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายอยากจะมีคู่ครองก็อดรออดใจรอให้ได้แต่งงานกันอยู่กันอย่างเป็นสามีภรรยาก่อนแล้วค่อยหาความสุขจากกันละกันอย่าไปหาความสุขจากบุคคลที่ไม่ใช่เป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราเพราะจะเป็น การกระทำบาปคือผิดศีลข้อกาเมสุนิชฌาล า, าเวราณีความประพฤติให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องของประเพณีคือต้องมีการสู่ขอกันมีการมั่นกันมีการแต่งงานกันมีการประกาศให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่าได้เป็นสามีของกันสามีภรรยาเป็นสมบัติของกันและกัน ผู้อื่นไม่ควรที่จะมายุ่มด้วยนะสามีภรรยาก็ไม่ควรไปยุ่งกับผู้อื่นควรจะมีแต่ความสัมพันธ์เฉพาะกับสามีภรรยาคือคู่ครองของตนทน้นอย่างนี้ก็ยังจะอยู่ในโลกอยากมีความสุขได้และเมื่อไปเกิดก็จะได้ไม่น่าไปเกิดเป็นสุนัขเป็นตน้นสุนัขนี้เขาไม่มีศีลข้อสาม เวลาเขาเกิดอารมณ์อยากขึ้นมามีตัวไหนใกล้เ ข, เขาเขาก็จะเอาตัวนั้นก่อนซึ่งคนบางคนในสมัยนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเวลาอยากจะเสพการก็ไปหาใครก็ได้ที่เขาจะเสพได้โดยที่เขาไม่คานึงถึงเรื่องของศีลธรรมนี่แหละเป็นการสร้างอบายให้แก่ตนเองเป็นการสร้างพภพาชาติเช่นเดรฉาน ให้แก่ตนเองเพราะการกระทำของเรานี่แหละเป็นผู้ที่จะเลือกพบชาติต่างๆจะเป็นพบของมนุษย์หรือพบของเดรัจฉานถ้ารักษาสิ่ง้อกาไม่ได้ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ารักษาไม่ได้ก็จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานนี่คือกฎของกรรมถ้าไม่อยากจะเกิดเลยก็ต้องตัดความอยากในการให้ได้ทั้งหมด ก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานก็จะไปเกิดเป็นพรหมหรือไปเกิดเป็นพระอาหารหันต์ตามลำดับต่อไปปัญหาของเราก็อยู่ที่ตัวตัณหาและกรรมคือการกระทานั่นเองเราตัดตัณหาและตัดกรรมตัณหานี้เป็นตัวที่จะผลักดันให้เราไปกระทากรรมต่างๆ ต, ตอนนี้เรานั่งอยู่เฉยๆได้เพราะอะไร เพราะเราไม่มีตัณหาความอยากถ้าเราอยากจะสู่บุหร่บางทีเราก็จะทนนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เราก็ต้องลุกออกไปทั้งนอกเพื่อสู่บุร่เราก็ไปทำกรรมคือไปสู่บุหร่อย่างน้อยการสู่บุหร่นี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นบาปเพียงแต่เป็นโทษแก่ร่างกายคือทำให้ร่างกายนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยและเสียชีวิต เร็วกาคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องไปทำกรรมอันนี้เราไม่อยากสูบบุหรี่เราก็ไม่ต้องไปทำกรรมคือการสูบบุหรี่เราไม่อยากดื่มเหล้าเราก็ไม่ต้องไปทำกรรมคือการดื่มเหล้าซึ่งเป็นบาปเป็นการผิดศีลทำให้เรางั้นขาดสติและไปทำ บาปอย่างอื่นได้อย่างง่ายดายคนที่ไม่มีสตินี้มักจะทำบาปข้ออื่นได้คนที่มีสตินี้จะทำยากกว่าเพราะจะรู้ผิดถูกดีชั่วแต่คนที่เดิมสุราจนมึนเมาแล้วจะไม่รู้ผิดถูกดีชั่วหรือจะไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ลองถามคนเมาดูเวลาที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วว่าเมื่อคือนนี้ทำอะไรบ้าง เขาบอกเขาจําไม่ได้เขาไม่รู้บางทีไปทําร้ายผู้อื่นก็ไม่รู้ว่าตัวเองไปทําร้ายผู้อื่นเหมือนกับคนนอนหลับแล้วฝันไปอย่างนั้นนี่คือโทษของสุราของการดื่มสุรายาเมาจะทําให้เราขาดสติและจะทําให้เราไปทําบาปทํากรรมต่างๆและเหตุที่ทําให้เราดื่มสุราก็คือการมากตัณหานี่เอง ก็คือความอยากลิ้มรสลิ้มรสของสุราอยากจะมีความสุขจากการได้ดื่มสุราดังนั้นเราจึงต้องพยายามตัดความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากจิตจากใจเพราะถ้าเราไม่มีความอยากแล้วการกระทําของเราก็จะเป็นกลางๆ ค, คือจะไม่เป็นบาปและไม่เป็นบุญหรือจะเป็นบุญก็ได้ ต่จะไม่ไปเป็นบาปโดยเด็ดขาดเพราะเราสามารถหยุดความอยากที่จะพาให้เราไปทําบาปได้แล้วเช่นเราเราอยากหยุดความอยากดื่มสุราเราก็ไม่ต้องไปทําบาปคือไม่ต้องไปดื่มสุราถ้าเราหยุดการอยากการเสกการมได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปผิดศีลแบไปทําผิดศีลข้อสาม ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นหรือลูกของคนอื่นที่เขายังไม่ได้แต่งงานกับเราปัญหาอยู่ที่ความอยากของเราเราต้องตัดความอยากถ้าตัดความอยากได้แล้วเราก็จะไม่ต้องทํากรรมพระพุทธเจ้ากับพร ะ, พะหลานสาวกท่านตัดความอยากได้หมดแล้วท่านจึงไม่ต้องทําบาป ก, กรนอีกต่อไป กรรมที่ท่านทําก็เป็นกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นเช่นก็ท่านก็โปรดสัตว์สั่งสอนอบรมสัตว์ทั้งหลายคือพวกเราให้มีหูตาสว่างเพื่อพวกเราจะได้มีความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายจะทําทําแต่บุญอย่างเดียวไม่ทําบาป แต่ท่านก็ไม่ได้ยึดติดในบุญคือถ้าท่านไม่ทำบุญก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านเพราะท่านมีบุญพอแล้วบุญถ้าเป็นน้ำกรเหมือนน้ำมันเต็มแก้วแล้วทาบุญไปอีกมากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำให้น้ำในแก้วบุญในใจของท่านนี้มากไปกว่าเดิมแต่ท่านทำไปเพื่อสงเคราะห์โลกสงสารสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังหูหนวกตาบอด ที่ยังหลงอยู่กับความอยากต่างๆมาสอนให้พวกเรารู้จักวิธีดำเนินชีวิตรู้จักการกระทาที่เกิดประโยชน์สุขเพื่อพวกเราจะได้มีความสุขมีบุญมีกุศลเต็มหัวใจเหมือนกับท่านเพื่อพวกเราจะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปทุกข์กับการ แก่การเจ็บการตายกับการพัดพลาดจากกันอีกต่อไปแต่ท่านไม่เดือดร้อนถ้าท่านไม่ได้ทำบุญเนะพราะท่านเหมือนกับคนที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วไม่กินยาก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่พวกเรานี้เดือดร้อนถ้าเราไม่กินยาถ้าเราไม่ทำบุญเพราะว่าพวกเรายังมีบุญไม่พอยังมีบุญน้อย ยังไม่มีบุญมากพอที่จะกําจัดตันหาความอยากต่างๆทั้งหลายให้หมดไปจากใจของเราพวกเราจึงต้องขวนขวายต้องภาคเพียนในการทําบุญเพื่อกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือการทําบุญให้ทางรักษาศีล น, นั่งสมาธิ เจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมนี่คืองานที่สำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเรางานอย่างอื่นก็ทำไปตามความจำเป็นหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็หาไปแต่อย่าไปหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงกิเลสตังหาเช่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปซื้อของไม่จำเป็น หรือไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันจะเป็นการสร้างกองทุกข์ให้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆสร้างภพชาติให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องมาทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมและฟังเทศน์ฟังธรรมจึงขอฝากเรื่องของการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็ เ, เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันนาสุขกะภะละโดยทั่วหน้าการเธอ